parat na 50.25 เมกะเฮิรตซ์ so 2 สร้างมิตรผูกสัมพันธ์สร้างมิตรผูก FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ 2 อ. <ception> โอชาวันที่ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่ 9 ปีที่ผ่านมาการคืนความสุขให้กับทุกคนในชาติให้ได้ได้ 2ญญ า, อง, 20 จังหวัด 95 สถานีขอเชิญ ทุกวันในเวลา 8:00 น. น. น. น. ฟังเรื่องราวๆ ต้องการให้ทุกคนหัน 22 ให้ก่อน การปฏิรูปซึ่งก็มีหลายคณะธรรมให้ใน ทุก 2 ของรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมานะครับ มีแต่หลักการๆอย่างบันเทิงให้เขาได้คลายเค้า บ้านติดการคุยไม่ได้ติดการคุย 1 เท่านั้น 2 โน่นมีกฎหมาย หาคำตอบกันให้ได้ 2 สภาปฏิรูปนะเสีย 9 ครับทุกคนไม่ร่วมมือกัน 20 จังหวัด 95 สถานีขอเชิญ ในเวลา 8:00 น. ถึง 8:30 น. ฟังเรื่องราวดีๆมีสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยขอคืนความสุขให้แก่ประชาชนวันนี้ต้องเน็ตสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่าน พบ 7 กรกฎาคม 2557 ค่ะเช้านี้รายประชาสัมพันธ์ ผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็จะนํา 20 จังหวัดนะ ผมสกุลจริต 2 นะครับหลังจากที่ทุกท่านได้ หมายผ้าอีสานที่เป็นจังหวัดเล็กๆนะครับเป็นเมืองการค้าเมืองเกษตรเมืองท่อง ให้ๆโดยซึ่งคณะรักษาความๆเรื่องนะครับพี่ กิจกรรมทางการเมืองที่จะไม่เรื่องอย่างที่ผมได้ มีตามโรดแมปหรือแนวทาง 1 หรือ<ใช> 1ๆที่ สังคมครับๆนะครับซึ่งค่ะ ในส่วนที่ท่านพูดถึงการบังคับใช้กฎหมาย มีการต่อสู้แข่งขันครับหลายส่วน ที่มีความเรื้อรังแล้วก็เอ่อปัญหา ที่ทางกอง สสจ. ได้เน้นเป็น ครับก็เข้าๆเนี่ยที่จริงพลทหารนี่ก็ จริงๆเนี่ยผมเองก็ได้ประจักษ์พันธุ์ไปยัง คดีการจับกุมไฮโรเงี้ยอันนี้มีอยู่ๆไปสรากกิน ดูแลเข้มงวดเป็นพิเศษอีกเรื่องหนึ่งคือ ที่ๆเนี่ยรวมแล้วประมาณ 487,290 เมตรนะครับนี่เป็นของกลางยาบ้าที่ที่ เป็นคดียาเสพติดเนี่ย 389 คดีๆเนี่ยด้วยความเด็ด ทำลายป่าไม้นะครับซึ่งก็ปูดทหารก็มี มีผลคดีค่อนข้างจะมาก มีของกลางถึง 6 กว่ารูปบาท อีกครับๆอีกหลายรายซึ่ง มุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนที่ณขณะนี้ก็ 105 รายนะครับ กัมพูชา 17 นะ 4 mm hmm. คนนี้ก็หล่มนี้ก็ มีอยู่ 465 คนนะครับเป็น 27 เป็น 437 คนแล้วก็กัมพูชา 1 คนนี่คือผู้ที่เข้า 70 นะ นายหน้าจ้างได้นําพาผู้ที่ยัง 38 คน 嗯, ประชาชนพี่น้องผู้ประกอบการทั้งเช่นทางสมุทรสาคร รัฐบาลหรือทาง คสช. คงค่ะแล้วในช่วงนี้ใน ทั้งนี้ก็คนที่ไม่ถูกต้องใน ก็เป็นการแสดงเจตนาว่า ในส่วนของการจัดเวทีพบปะๆให้เกิด หาข้อมูลปัญหาความๆของประชาชนในๆที่พี่ๆอือซึ่งการจัดเวทีประชาคมหรือ 2 ก็มาระดับ 526 34 ทั้ง 526 34 ที่จะมาเข้าร่วมเวทีเข้ามาร่วมแสดงความคิด อันนี้ก็แต่ละอำเภอเมื่อ ต้องการแสดงความคิดความเห็นเพิ่มเติมต้องการเสนอสิ่ง 26 มิถุนายนยนต์ที่ผ่านมานะครับ จัดเวทีเสวนา 8 8ๆเนี่ย ส่วนที่เกี่ยวๆหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับได้มา องทไปสองด้วยศูนย์ลองดองภ่าธที่สองเพื่อเสนอไปยัง ก็ถือว่าเป็นเวทีของทางจังหวัดมุกดาหาร ในในการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เป็นเชิงใน เรื่องแรกก็คือเรื่องของ เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพอะไรเลย ผู้ที่ยากจนๆ71 ครัว 71 ครัว<ใช>คร 21 49 หลังครับ<ใช> 49 หลัง เป็นการซ่อมและสร้างบ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ แล้วก็ทางๆนี่ก็จะมีส่วนราชการต่างๆ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นะครับเรียกว่าโครง แล้วก็จะออกมาสำรวจสอบถาม ส่งเสริมให้พี่น้องๆคงมีหลายเรื่องครับรวม<ใช> สร้างความสุขคืนความสุขแก้ปัญหาให้ค่ะ นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ สวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ฟัง ซึ่งวันนี้ทีมงานผลิตรายการนะ วิถีผูกพัน FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท. นครพหลุกเห็นลิงค์มากมาย